ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูดทำความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคมขอ้ขอคอทำไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด เรื่องที่พูดมานี้โยงไปถึงกติเกี่ยวกับสังฆทานซึ่งเป็นธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งทานคือการให้ในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือให้แก่บุคคลหรือให้เจาะจงเจฉพาะตัวผู้นั้นผู้นี้เรียกว่าปาติปุคคลิกทานและให้แก่สงหรือให้มุ่งเพื่อส่วนรวมเรียกว่า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 ให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าให้แก่พระอระหันตสาวกตลอดลงไปจนถึงให้แก่ปุตุชนมีศีลปุตุชนทุศีลและให้แก่สัตว์ดิรฉานทรงเปรียบเทียบว่าให้แก่สัตว์ดิรฉานมีคุณความดีเป็นร้อยให้แก่ปุตุชนทุศีลมีคุณความดีเป็นพันให้แก่ปุตุชนมีศีลมีคุณเป็นแสน ให้แก่นักบวชภายนอกที่ไม่มีราคะมีคุณเป็นแสนโกดให้แก่พระโสดาบันมีคุณเป็นอสงไขยให้แก่บุคคลมีคุณความดียิ่งกว่านั้นไปเป็นอันไม่ต้องพูดถึงส่วนของที่ให้เพื่อสง์ก็อาจจะถวายแก่สงสองฝ่ายคือภิกษุสง์และภิกษุณีสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนับว่าเป็นสังฆทานขั้นครบถ้วนที่สุดถัดจากนั้นก็อาจถวายแก่สงสองฝ่าย ในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วตลอดลงมาจนถึงถวายให้โดยจัดภิกษุหรือภิกษุณีจำนว น, นเท่านั้นเท่านี้จากสงมารับคือเป็นตัวแทนสง์โดยไม่จอะจงว่าองค์นั้นองค์นี้หรือแม้แต่เมื่อการเวลาล่วงไปนานรรมวินัยจวนจะสิ้นจะถวายแก่พวกพระทุศีลเหลือแต่ผ้าเหลืองห้อยคอแต่ถวายในานามของสงก็ยังมีผลมากมายพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่า เราไม่กล่าวว่าปาติปกลิทานคือให้แก่บุคคลมีผลมากกว่าของที่ให้แก่สงโดยปริยายใดๆเลยพระพุทธเจ้าเคยส่งสนทนากับก้าบดีคนหนึ่งในเรื่องนี้ตรัสถามว่านี่แนี่ท่านคฤรห่บดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือครืหบดีทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้อยู่และฐานนั้นข้าพระองค์ถวายในพระพิสุผู้ถืออยู่ป่าถือบินทบาตรถือครองผ้าบางสุกุลซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุอรหัตตมักพระพุทธเจ้าได้ตรัสแนะนาว่าท่านคราหบดีเป็นคฤหัดอยู่ครองเรือนยุ่งอยู่กับครอบครัวยากที่จะรู้ได้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต หรือบุลุอารหัตมักพระองค์ตรัสว่าไม่ว่าพระอยู่ป่าหรือพระอยู่ทินบ้านไม่ว่าพระถือบินธบาตหรือพระรับนิมนต์ไม่ว่าพระถือห่มผ้าบางสกุลหรือพระห่มจีวรที่ข้าบดีถวายถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเหอเหิมป่ากล้าพูดเละสติเฟือน ไม่มีสัมปชัญญะใจไม่ตั้งมั่นจิตพลานไม่สำรวมอินทรีย์ก็หน้าติเตียนทั้งนั้นถ้าไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อเหิมไม่ปากกล้าไม่พูดเลอะมีสติมั่นมีสัมปชัญญะใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์ก็หน้าสันเรินทั้งนั้นสุดท้าย รัตเชิญชวนขฤรหบดีให้ให้ทานในสงฆ์เมื่อถวายทานในสงฆ์จิตจักผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสตายก็ถึงสุคติรวมความว่าการแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระพิสุนอกจากมุ่งเพื่อฝึกอบรมตนแล้วพึงคำนึงถึงประโยชน์ของสงฆ์และประชาชนอย่างน้อยที่สุดในขั้นต้นจะต้องทาให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตน หรือคนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องมีจิตใจปลอดโปรง่งเบิกบานผ่องใสด้วยข้อปฏิบัติทางวินยัยขั้นต่อไปถ้าสามารถยิ่งกว่านั้นก็พึงทำให้เขาเจริญงอกงามขึ้นโดยศรัทธาศีลสุตะจาระและปัญญาด้วยการแนะนำสั่งสอนทำพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระพิสุมีหน้าที่เพื่อชาวบ้านอยู่สองด้านหน้าที่ทางวินยัยได้แก่ ทำจิตใจของประชาชนให้ผ่องใสด้วยศีลวัรและหน้าที่ทางธรรมได้แก่นำเอาความจริงความดีงามไปเผยแพร่ให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไปส่วนเครหัขัดคือชาวบ้านเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพิสุพึงมุ่งเพื่อประโยชน์ทางจิตใจที่จะได้รับสิ่งซึ่งทำให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในธรรมและเมื่อจะอุปถัมบารงพระพิสุพึงคานึงถึงประโยชน์ที่สงจะได้รับ แม้ในกรณีที่เป็นปาติบุคลิกเมื่อจะเลือกเกี่ยวข้องหรือบำรุงพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็พึงทำด้วยประสงค์ที่จะให้สงดำรงอยู่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากตลอดการยาวนาน